ตั้งใจวังพระธรรมเทศนาในโอกาสตอนนี้ไปช่วงระยะเวลาเพิ่มเพิ่มเติมเสริมปัญญาของเราให้มีความรู้ความเข้าใจทุกแง่มุมของชีวิต ท, ที่เราจะต้องอาศัย ดำรงชีวิตให้มีเอกภาพเพราะชีวิตเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนเกิดขึ้นแล้วจําเป็นเราต้องหาโอกาสหาเวลาในการที่จะบําเพ็ญประโยชน์อันเป็นชนะที่พึ่งอย่างแท้จริงการลงชีวิตก็เป็นส่วนหนึ่งฟิลเตอร์นนที่พึ่งของร่างกายของเราจำเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหลายเพื่อความคงอยู่ เพาะนั้นตอนนี้ไปจะได้พูดถึงความจําเป็นในธรรมะที่จะต้องนํามาใช้ในกิจวัตรประจําวันทุกๆเวลานาทีเพื่อจะให้เกิดความก้าวหน้าทางความเป็นอยู่เกียรติรสริยมต่างๆที่ได้มาจากการลงฟิตนั่นก็คือความดี <c oughs> ที่ดาวนาออกมีช่ความดีคืออะไรความดีที่จะแสดงออกมาทางกายก็ดีเรียกว่ากายกรรม ทางวาจาก็ดีเรียกว่าจีกรรมทางใจก็ดีเรียกว่าหนูกรรมกรรมทั้งสามเหล่านี้จะปรากฏออกมาตลอดเวลาที่เราดำร ง, งชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จะต้องนําออกมาใช้นะทั้งกายทั้งวาจาและก็ทั้งใจที่เราฝึกฝนอบรมบ่มเพาะไว้ ด, ดีแล้วมันจะได้กันกองคําพูดหรือสรมุสต่างๆที่นําออกมาให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟัง และผู้ น, นามาปฏิบัติปฏิบัติได้เพราะนนั้เรื่องของชีวิตเป็นสิ่งที่เราจําเป็นจะต้องเออพัฒนารื่อยไปอย่างไม่วันหยุดยัง้งเพราะสรรพสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรหยุดนิ่งเวลาก็ดีนาทีต่างๆนี่ก็ดีแสงเดือนแสงตะวันก็ดีไม่มีอะไรหยุดนิ่งเคลื่อนที่ไปตลอดเวลาอืม แม้ชีวิตของเราก็ไม่ได้นิ่งอยู่แค่ปีนี้ขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้ชั่วโมงนี้พอผ่านจากชั่วโมงนี้นาทีนี้วินาทีไปนี้ไปแล้วมันก็เดินไปสู่ อ, อ, อนาคตหลอดไปนี่ก่อนจะเดินไปถึงอนาคตต้องฝึกปัจจุบันของเราให้มีความมั่นคงเสียก่อนก่อนที่จะออกเดินฝึกเพื่ออะไรฝึกเพื่อให้เราได้มีสติ สติตรงนี้สำคัญที่สุดที่เราจะต้องนำมาใช้ในภาระหน้าที่ะกิจการต่างๆแม้จะระเคลื่อนไหวไปมาก็ต้องอาศัยสติในการขับเคลื่อนเราทั้งกายเราทั้งมือทั้งเท้ารูปธรรมอันนี้ทึงประกอบไปด้วยสติสมาธิปัญญาคือจิตใจนั้นเราใช้ยานภานะเราก็ต้องขึ้นขับ ติดเครื่องแล้วก็ขึ้นขับร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันแม่เวรดานอนแล้วก็ติดเครื่องทิ้งไว้เฉยๆแต่เราไม่ได้ดับเครื่องถ้าเครื่องดับเมื่อไหร่แล้วก็จบมื่นั้นฉะนั้นเวลาจอดเครื่องก็ดับขันท่าทั้งหลายก็พักที่เราอาศัยใช้กิจวัตรประจําวันนั่นเนี่ยเราก็ต้องพักให้ตาเวลาตามเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ทำงาน8ชั่วโมงนี่ก็เรียกว่าเต็มที่แ ล, ล้วสําหรับร่างกายคนเราเนี่ถ้ายังหนุ่มยังแน่นยังไม่แก่ไม่เท่าแค่8ชั่วโมงนี่ก็พักการตามการเวลา24ชั่วโมงพัก8ทํางาน8พักขานธาตุขานแล้อีก8แต่พระเจ้าไม่แล้วพักไม่ขนาดนี้นะ24ชั่วโมงให้พักแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแหละ เป็นเวลาหลับจริงๆ จ, จ, จากการสูงัดปฏิบัติธรรมท่านไม่ได้โหดร้ายท่านไม่ได้เข้มนวดแต่เพื่อให้เราใช้เวลาเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเพราะการปฏิบัติธรรมนั้นมันก็ไม่ได้หนักเหมือนกันปฏิบัติภา ร, รกิจทางโลก ทางโลกบางทับงทีวังเราต้องใช้แรงงานอย่างหนักในการแบกหามหรือว่าในการยกถิ่งของบางในการทํางานบางอย่างที่ต้องใช้ทั้งร่างกายทั้งจิตใจทั้งหูทั้งตาพร้อมในวันหนึ่งวันนึงเนี่ยแม่้วัยว่าเหล่านั้นมันก็มีความทื่นปื่อยมีความเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนเหมือนกันเช่นระบบประสาททางเราเนี่ยประสาทตาก็มีความเหๆๆๆนื่อยอ่อนบางข้างบางข่าวเนี่ยอืม พอหลับตาเราจะรู้สึกสบายเปิดตาขึ้นเราก็ต้องใช้ในการที่จะเพ่งให้มันเห็นแต่ประสิ็นทั้งหลายเพราะตาไม่ได้ที่ให้เห็นแล้วต้องการเห็นอะไรเราก็มองไปทางสิ่งนั้นแล้วก็เอาตาเปิดขึ้นเราก็จะเห็นจึง่างนั้นเรารู้อะไรก็เพราะจิตเรารู้ไม่ใช่ตารู้ตาไม่ได้ที่เห็นที่แดงที่เขียวที่ดำ อตาเขาไม่รู้สีหรอกแต่ว่าจิตเขารู้สีก็จึงกําหนดได้ว่าอันนั้นเป็นสีนั้นสีนี้อันตรายและไม่อันตรายจิตเขาก็จะรู้จากสิ่งที่ที่ตาเห็นถ้าเป็นสิงอันตรายเขาก็จะสั่งถอยหรือว่าสั่งให้นิ่งอให้หยุดอตามที่จิตเราฝึกหัดไว้ดีแล้วมันก็จะหยุดตามนั้น ถ้าจิตเรามันได้รับการฝึกหัดเอามาดีเนี่ยบางทีเราก็จะไม่รู้เวลาหยุดเวลาธรรมอือยู่ที่ไหนควรจะปฏิบัติอย่างไรเราก็ยังไม่ไม่พร้อมที่เราจะรู้สึกทันปัจจุบันธรรมต่างๆที่เราอยู่ในฐานที่นั้นสิ่งแวดล้อมนั้นๆบุคคลนั้นๆ จำเป็นี่เราจะจะต้องอาศัยสติคือว่าฝึกเอาไว้ให้ม่เพียงพอต่อการขับเคลื่อนการฝึกจิตทำใจก็คือการฝึกสติให้มันมีตลอดเวลาตอนนี้ไปก็พยายามตั้งใจนั่งเฉยๆหลับตาลงจะนั่งท่าไหนก็ได้ขอให้เฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นให้พอเหมาะแล้วก็ ตรวจดูร่างกายของเรานั่งให้สบายสบายแล้วก็ตรวจร่างกายของเราดูว well, ่าร่างกายของเรานั้น mm. นั่งได้สบายไหมร่างกายตรงๆเฉลี่ยน้ำหนักที่ก้นแล้วก็ปล่อยอวัยวะทุกส่วนเมื่อเราปล่อยว่าทุกส่วนก็ปล่อยระบบความเครียดต่างๆที่เราต้องใช้ในการที่จะดำรงชีวิตบางทีก็ มีใบหน้านิ้วคิ้วขมวดต่างๆนี้แล้วปล่อยออกให้หมดเอาจิตมา ต, วตรวจสาพร่างกายให้พร้อมแล้วจิตตรวจสาพดมให้ใจดูก่อนว่าเราให้ใจแบบไหนสบายหลักการปฏิบททัติธรรมเพะจะให้เกิดความก้าวหน้าทางการปฏิบัตินั้นจำเป็นต้องมีสติรู้และเข้าใจถ้าเราใจลมให้ใจเป็นเครื่องกาหนด แล้วก็ต้องตรวจลมหายใจแล้วหายใจอย่างไรทบายเดี๋ยวนี้ขณะนี้ปัจจุบันนี้หายใจเข้ายาวทบายออกยาวทบายหรือหายใจเข้าสั้นออกสั้นหายใจเข้าสั้นออกยาวเพราะลมหายใจของคนเรานั้นมันไ ม, ม่เท่ากันที่ไม่เท่ากันเพราะอวัยวะของเรามันไม่เท่ากันปอดก้อไม่ใหญ่ไม่เท่ากันอย่างเนี้ยการหายใจของเราจึงไม่ส ม, ม่ำเสมอเท่าๆกัน เมื่อเราเอาลมหายใจของเรามาปฏิบัติมันเืจอทํำปฏิบัติได้ทุกอิเดียบทแล้วก็เอาอิียบทของเราเอามาปฏิบัติไม่ชเ อ, เอาอริยาอิเดียบทของคนอื่นมาลมหายใจคนอื่นมาปฏิบัติถ้าจะบัญญัติลงไปว่าต้องให้หายใจเข้ายาวๆคนมีปอดที่มันเล็กด้วยว่าลมหายใจสั้นๆก็จะรู้สึกเหนื่อยทําตามได้จะรู้สึกเหนื่อย เพราะในจังหวะลมหายใจของเราที่จะทําให้เหมาะจริงๆเราก็ต้องอารมณ์หายใจจริงๆนั่นแหละให้เป็นที่เป็นปัจจุบันมากําหนดลรงหายใจถ้าจะใช้ลมหายใจก็เมื่อเรากําหนดลมหายใจเอาสติมาไว้ที่ลมหายใจเมื่อตรวจได้ลมหายใจดีๆแล้วเอาสติมาจับลมหายใจเข้าหายใจออกควบคุมสติให้อยู่ตรงนั้นให้อยู่ก็ลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องฟุ้งซ่าน ออกมาว่าอออกจะได้อะไรเข้าจะได้อะไรไม่ต้องคิดคิดอย่างเดียวคือทำจิตที่อยู่กับพุทโธเท่านั้นนะ่ะหายใจเข้าพูดตรงมือใจอยาวขนาดไหนแล้วก็สุขขนาดนั้นก็นิ่งตั้งสติวัตถุที่ใด่านในกายจะเป็นปลายจมูกก็ได้กําหนดง่ายหน่อยเพราะลมหายใจจะผ่านตรงนั้น มันก็ไม่ต้องเข้าตามลมหายใจเข้าไปข้างในปลอดเนีย่ยไม่ต้องเข้าให้อยู่ตรงปลายจมูกตรง น, นั้นนะเพื่อเอารติของว่าฝึกสติของเรามันสามารถหยุดอยู่ได้กับลมหายใจ ใ, ใจออกโ ถ, ถดลูลมหายใจนิ่งแล้นิดหนึ่งแล้วก็หายใจเข้าอีกอู เอาไปให้สติอยู่กับพุโทโธจริงๆนะนั่นไม่กี่ทีแร้ว จ, จิตจะสงบลงสงบลงลมหายใจก็จะละเอียดลงละเอียดลงเรื่อยๆคำว่าลมหายใจละเอียดนี่ก็หมายถึงว่าลมหายใจของเรามันไม่ต้องให้ใจแรงเพอาะจิตละเอียดลมหายใจละเอียดลงไปเรื่อยๆทําไปจนกระทั่ง จิตละเอียดลงรูย ล, ละเอียดโดนจงกระตามาแทบจะกำหนดดวงใจไม่รู้อย่างนี้ทัศติเราจะขาดแล้วก็ถอยออกมาถอยออกมาให้มันอยากขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก็กำหนดเหมือนเราเจาะเหล็กด้วยสว่านเหล็กเจาะเข้าไปเข้าไปดอกตะวันมันร้อนแล้วก็ถอยออกมาชุบน้่หยดน้าไปหน่อยแล้วก็เจาะลงไปใหม่ เมื่อจะลึกลงลึกลงสติของเราก็จะกำหนดทันทันทันในลมหายใจหรือความละเอียดของลมเมื่อกำหนดไปกำหนดไปจิตละเอียดเข้าจนกระทั่งจิตเป็นหนึ่งค่อยๆเป็นหนึ่งอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วสติของเราก็ยังแม่นแน่นมั่นคงอยู่เมื่อจิตละปลดกายได้เหมือนกระรอนเราอยู่ ไม่มีกายแต่มีลมหาย ใ, ใ, ใ, ใ, ใจเข้าหาใจออกแล้วรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเท่านั้นหายใจเข้าหูเท่าไหนิ่งหายใจออกทหนิ่งทำไปเรื่อยๆหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีอะไรก็แล้วแต่หูปล่อยไ่้เฉย ไม่ต้องไปสนใจอะไรทั้งหมดอืเอามาสนใจที่ลมหายใจเขาให้เจาะออกอย่างเดียวเมื่อจิตมาอยู่ลมหายใจจริงๆนิ่งแน่วจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่อยู่กับอื่นละความรู้สึกของจิตจะมาอยู่ที่ลมหายใจที่ไอทางกายมันละละแหลกๆมันไม่สงบว่าจะมีตรงโน้นรู้ถึกตรงนี้รู้ถึกจิตก็วิ่งว่อนอยู่อย่างนั้น แต่เมื่อเรามากำหนดในลมหาใจจริงๆไม่ให้จิตมันวิ่งไปที่อื่นมันกระทบอะไรมันก็เท่านั้นเองเพราะมันเราไม่ได้สนใจเราสนใจลมหายใจเข้าห้ใจออกเท่านั้นอ่ะมั่งกำหนดรู้ลงหายใจเข้าก็รู้รมหายใจออกก็รู้อย่าให้ขาดสติเมื่ออยู่ลมหายใจเป็นนานเดี๋ยวก็สมาธิก็จะเกิดขึ้น จากสติที่เราควบคุมอยู่ด้วยอำนาจของจิต mm. จะเกิดขึ้นสมาธิก็หมายถึงความแน่วแน่ของจิตใจอยู่กับลมหายใจจริงๆสมาธิเกิดปิติจะค่อยๆเกิดมันจะดับเวทนาทั้งหลายทั้งร่างกายเองไม่ได้ไเข้าไปข้องเกี่ยวแล้วให้มันอยู่กับลมหายใจนี่อย่างเดียวมันก็ยังไม่ข้องเกี่ยวกับกาย เมื่อเรปลดกายได้อย่างเด็ดขาดมีแต่ลมหายใจกับจิตที่เรารู้สติที่เรารู้อยู่เท่านั้นอืมจิตก็จะก็ค่อยก้าวหน้าละเอียดอ่อนขึ้ น, นเรื่อยเมื่จิตอ่อนอ่อนจริงๆแล้วแต่วิสติโพงตัวอยู่ไม่มีกายเข้าไปผลแต่มีความรู้นแนี้ยงแน่นิ่งอยู่ลมหายใจนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปทําอะไรทั้งหมดกําหนดรู้อยู่เท่านั้นเนี่ยพอจิตมันอยู่กับลมหายใจจริงๆ เจ็บปวดจะหายไปแล้วมันปวดได้เด็ดขาดทางกายไม่เข้ามาข้องเกี่ยวจริงๆแล้วพอปวดกายออกปุ๊บเนี่ยมันก็เหลือมันจะจิตก็จะเดินทางเข้ามิติใหม่อืมเพราะกายนี้ไม่ไม่มีแล้วมีแต่จิตกับเวทนาหรือจิตกับคว า, ามรู้สึกที่ไม่มีตัวตน มีความรู้สึกว่าเราอยู่กับลมหายใจจริงๆหายใจเข้าเราก็รู้เจ้าก็รู้นี่มันอยู่อย่างนี้ไม่นานมั้งอาจจะมีนิมิตบ้างอะไรม้างผ่านก้นมาเมื่อเราผ่านจากมิติมนุษย์ปล่อยร่างกายนี้ก็เข้าสู่มิติใหม่อันละเอียดอ่อนในมิติใหม่นี่เราไม่มันมีอยู่ดูทุกอย่างนั่นแหะถ้ามีอะไรจะมาเกี่ยวข้องเรามันก็จะ เข้ามาในภาพในมิตรบางอะไรบางเมื่อเรารู้พิจารณาดูเห็นแล้วรู้แล้วด้วยจิตที่ผองแผ้วจิตที่มันไม่มีความฟุง้งซ่านมองดูเฉยๆไม่ได้วิตกวิจารณาอะไรไม่ต้องไปสนใจ ว, ว่านี่คืออะไรนั่นคืออะไรไม่ต้องไปยินดีหรือยินลายต่างๆพิจารณาให้รู้ความจริงแล้วก็ไม่ว่านี่มิตรแต่ดีไม่ดีก็ปล่อยวางไปพอเราปล่อยวางไป มันไม่เข้ามาคล้องในจิตใจของเราแต่มีความรู้สึกว่าเราปล่อยวางได้เราก็อยู่กับความสงบต่อไปอีกไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นรู้แล้วก็ปล่อยวางต้องรู้ก่อนรู้แล้วก็ปล่อยวางจิตแล้วก็นิ่งเหมือนกับเราใช้เสียงนี้เป็นแนวสื่อนาทางในการปฏิบัติ จิตก็จะออกมารู้กับเสียงเท่านั้นแล้วภายในเราก็ทำตามหายใจเข้าอู้เกิวไปถ้าคนจิตไม่สงบก็อาจจะออกโธพุดโทในเพื่อพิตกตุจจา์เป็นเครื่องกำหนดของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตใจเรา จิตจะสงบก็รู้จะสงกจิตไม่สงบก็รู้ไม่สงบนี่เมื่ออะไรเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจเราก็สามารถรับสาสมาธิไว้ได้อืถ้าเราตื่นเต้นหรือเราดีใจเสียใจกับภาพปรากฏขึ้นอย่างเนี้ยมันก็ทํำให้สมาธิเราถอยเลยถอยเราก็ต้องมาเริ่มต้นใหม่จิตเข้ามาคล้องเกี่ยวกับกายอีกแล้ว นิกายเรานั่งมานานอาจจะมีเวทนาเกิดวัางตามเขา่าตามขาตามก้นบางที่วางบางที่เนะี่ยถ้าจิตเราถอยออกมาจากาสมาธิปั๊บมันจะเจอเวทนาเจอเวทนาจิตเราไม่กล้าแข็งจริงๆเดี๋ยวเราก็มาวิตกกับเวทนาที่เกิดขึ้นคือทุกขเวทนา ทีนี้มันเกิดขึ้นแล้วเราไม่มีปัญญาเพยียงพอที่จะระงับยับยั้งที่จริงมันก็เป็นธรรมะตัวหนึ่งที่จะเกิดนั้นเรารู้ว่าอวิานานี่แหละเป็นสิ่งที่เราไม่พึงปรารถนาแต่มันก็ต้องเกิดเพราะร่างกายของเรานั้นมันมีท่าตีดินน้ำไฟลมตัวนหนึ่งตัวใดมันไม่สะดวก อ, อัดอั้นขึ้นมามันเคยมันเคยพัดผันมันเคยเคลื่อนไหว แต่ลรามหัสฝึกฝึกเพื่อจะให้เรารู้ว่าจิตใจของเรานั้นจะควบคุมได้หรือไม่ได้สติจะมีเพียงพอไหมต่อการดำรงชีวิตเมื่อเรามีสติเพียงพอในการควบคุมคือการขับเคลื่อนชีวิตของเราตรัวจุดหมายปลายทางแห่งความปรารถนาที่เรามุ่งมันเราก็ต้องพบความสำเร็จแน่นอน ชาหรือเดียวจะทอดทุระเท่านั้นเองนิจิตไม่วุ่นวายจับทนไม่ไม่เดินทางผิดจิตตรงนี้ก็จะก่อความสงบขึ้นแล้วความสงบนี้เองก็อให้เกิดปัญญาทิฏฐิตรมาที่นี่เองเนี่ยก็อให้เกิดปัญญานี้อะไรกระทบมาแล้วปรากฏขึ้น เราก็จะรู้เขาเท่าทันในทิ่งต่างๆต้งนั้นเราก็จะไม่ดีใจไม่เสียใจบางอย่างก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองเขาเป็นของเขาอย่างนั้นเองอบางทีก็ไม่อาจจะงับยับยังได้เราก็ต้องฟังรู้ติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆเหล่ า, า, านั้นแล้วจะไม่ก่อให้เกิดความสงคาร ผู้ที่ทำอะไรให้เกิดความรงคา์ให้เราได้ยินได้ได้กระทบนี่นั่นก็คือเขากำลังส่งส่งความอดทนส่งความันเพียรของเราทนได้แลาไม่หยุดหงิดกับสิ่งที่กระทบขึ้นในเวลาที่ทเราต้องการความสงบเราทนได้มันก็ทำให้เราได้รับอา น, นิสงค์คือขันติธรรมที่พระเจ้าทรงสอน ขันติธรรมเนี่ยสาคัญที่สุดที่จะยับย้างสิ่งต่างๆได้ตลอดจนถึงเย้ายยนต่างๆสามีธรรมะพร้อมกับจิตใจที่เข้มแข็งในการฝึก อ, อกรมบ่มเพาะมาแล้วเนี่ยจิตใจนั้นก็จะไม่งอนแงนคลอนแขนไม่โลเลไม่ออกไปนอกเส้นทางที่เรากําหนดเมื่อรู้จักฝึกจิตรามัธยติในลมอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างที่เข้ามา พัวพันกับเราเราก็จะมีสติมีสมาธิมีปัญญาแก้ไขไม่เราประยุทธ์มันหรือมนันจะประทิงเหล่านั้นอันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาไม่แต่อดีตนั้นเราก็ไม่ไม่ตำหนิสิ่งเหล่านั้นเราก็รู้ทันสิ่งนั้นอันนี้คือก็สิ่งมาเพิ่มมาเพิ่มสติของเราท้าทนได้ไหมถ้าจะท้ทนได้เ้าก็ได้สติ ถ้ไม่อดไม่ทนจะเอาสติอไม่จะไม่อด่ทนจะเอาสติเอาขันติมาจากไหนล่ะอืม mm hmm. เดี๋ยวก็สติแตกมือเท่านั้นเองเดี๋ยวว่าขันแตกขันติก็กลายเป็นขันแตก mm hmm. เพราะฉะนั้นเราทนได้พยายามทนกับสิ่งที่กำลังกระทบให้เราเกิดความนองคารเนี่ยทนได้จนกระทั่งเอถอึงเวทใจว่าเออสิ่งเหล่า น, นี้มันไม่น่าจะมีอื mm hmm. เมื่อเราเมื่อเราทุนได้มันก็จะทำให้เร า, เาได้วุฒิธรรมได้คันติธรรมได้ไปทำอะไรละ่ะโอ้มันสุดยอดของการธรรมะที่สุดยอดของสมบัติสมบัติที่เราได้สมบัติทีเราได้อาจจะได้เป็นเงินทองข้าวของเป็นที่พึงพอใจของจิตใจเราเป็นที่ชอบใจของใจล่ะแต่ว่าถ้าเราได้สติสมาธิปัญญาให้เกิดความสุบร่มเย็น อันนี้จะเป็นรากฐานแห่งการมั่นคงของชีวิตอันนี้ดีพอได้เงินได้ทองมากมายนะถ้าเราทำจิตของเราให้เข้ามาถึงความสงบมีสติอย่างรู้ได้เงี้ยนี่เรูดูอยู่กับความสงบไปเรื่อย ๆ, ๆเดี๋ยวจิตจะถูกพอวางวหุบเหมือนกระาตกจากที่สูงแต่ขณะนั้นจิตจะตกตามไปด้วยหมายว่า มันวูกเอาไว้ในสติเราตกตามไม่ถอยไม่ไม่ตื่นเต้นจิตเรารู้ตกตามไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นความผ่งใสเห็นความเบาสบายของจิตอันนี้จ็ทำให้เราเกิดญาณเกิดปัญญาขึ้นในขณะนั้นอ๋อขึ้นมาทันทีว่าโอความสุขมันอยู่ตรงนี้เอง อยู่ที่จิตใจสงบนีเองนัตถิสันติวลังทุกขังทุกอื่นที่มัวจะฟังสงบไม่มีความทุกขในที่นี้ไม่ใช่ว่าจะถึงมรรคผลนิพพานแต่เป็นปฏิปทานำมาใช้ในการดำรงชีวิตตัวสถิติมีเพียงพอต่อการขับเคลื่อนชีวิตของเราความผิดพลาดบกพร่องก็จะไม่มีการเดินก็จะไม่หย่ยมน้าตามตอห ย, ยเมเงี้ยวเี่ยวขอ นึกจะดุดลห้เกิดอันตรายเพราะเดินแล้วก็ต้องอยู่การเดินสองตาก็ทอดสู่พื้นดินพอประมาณ2องเท้าก้าวไปวยติปรรชัญญาอพอสายตาเราเห็นมันควบคู่กันของมันไวเหมือนมั น, ม, น, ม, นมันส่งกระแสหลอดเวลาเหมือนรถโดนวิ่ง ม, มันก็ต้องที่จ่ายกระแสน้ำมันก็ต้องจ่ายไป ไอ้ที่วิ่งถูกทางก็เพราะผู้ขับเคลื่อนนั่นเองว่เหตุใดๆก็จะไม่มีชีวิตของเราก็จะปลอดภัยตลอดเวลาเพราะเราไม่ประมาทเดินก็อยู่การเดินนั่งอยู่การนั่งนั่งที่เราไม่มีอันตรายแล้วทั้งอื่นหลับตาซะเมื่อหลับตาลงปิดตาแล้ว แล้วก็มาเปิดใจทำงานมันจะได้จิตมันจะได้ไม่วิ่งไปที่ตาวิ่งไปทีห่หูมากำหนดจิตภายในซะยกกำหนดลมให้ใจซะให้ใจมันไม่มีตามีแต่ลมให้ใจเขา้าให้ใจออกมันก็จะได้ไม่สับสนจิตจะไม่วิ่งสารวณกับปั ญ, ญจทวารเหล่านี้ให้มาอยู่กับพุทโธจริงๆ อื่นๆมันก็ไม่รู้หรอกจิตมันรู้อย่างเดียวอย่างเดียวแล้วมันก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วเดี๋ยวรู้ทางหูเดี๋ยวไปรู้ทางกายที่มีเแรงกระทบสัมผัสแล้วเจ็บปวดขึ้นมาทางร่างกายเดี๋ยวมันวิ่งไปรู้ช่องนู้นเดี๋ยวไ่รู้ช่องนี้แต่ถ้าฝึกจิตไว้ดีแล้วมันจะไม่วิ่งวุ่นแต่ละวนมันจะมัธยัติอยู่ในอารมณ์ในการกระทำสิ่งหนึ่งสิงใดแล้วไม่สับสน ไม่ทำนี้คิดนั่นแต่มันคิดนูน่นเมื่อทำให้พลังงานในจิตใจของเราจะมีความฟ่องใสสามารถนำมาใช้งานได้ตลอ ด, ดเวลานี้ว่าสิ่งกระทบนั้นจะแรงจะค่อยอย่างไรแล้วก็ศึกปรับใจของเรารู้เท่าทันการกระทำท้ามาจากคนก็ก็เป็นอย่างนั้นเองแหละคนเค็ายังไม่รับการฝึกฝนก็ไม่รู้ว่าการไหนคนททำอะไรการไหนควร ควรที่จะปรับปรุงตัวอย่างไรอย่างเงี้ยเขาก็ทําไปตามความเคยชินของเขาถ้าอย่างไม่ทันรู้อะไรก็อย่าไปโกรธอย่าไปอาจขัดเคืองกับสิ่งต่างๆที่มันเป็นเสียงที่ไม่พึงปรารถนาก็ เ, าเราไปใสไป่ไปทางหูทําไมละ่ะแล้วภาวนานที่จมูกเราวมัไปอยู่ที่หูละ่ะน่านจะแดงว่าจิตเราเคลื่อนไหวไปแล้วอืม เราจำเป็นต้องเอามันกลับมามาอยู่ตรงนี้แค่นในทำงานตรงนี้ตรงนี้ไม่มีหูเธอไปรูดที่หูได้ยังไงนั่นนอกคำสั่งแล้วนความสั่งชันจะแล้วเพราะฉะนั้นจิตเราก็จะสงบได้ยากทำมันวิ่งไปวุ่นมาอย่างนี้ก็สงบยากถ้ามันอยู่ที่เดียวสงบง่ายรับอารมณ์เดียวจิตรับอารมณ์เดียวขณะที่เรานั่ง ถ้าก็ทบอื่นเราไม่รู้เราไม่รับแล้วก็ไม่ไปสนใจล้วอยู่ก็ลมหายใจเท่านั้นนะหายใจเข้าผูลรูนิง่งอ้มันก็มีความสุขสินั่งนานเท่าไหร่ก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยอนี่จิตเราสู่ภาวังตกไปด้วยสติสัมปัญญามันจะรู้ทันทีทีเดียวจิตก็จะโพลุขึ้น และตอนนี้ปลจิตจะนิ่งเหมือนไม่มีอะไรไม่มีอะไรพ่อมีอะไรไม่มีสิ่งกระทบถ้ามีสิ่งกระทบมาปั๊บจิตที่ผ่องใสจิตที่นิ่งว่างอย่างนี้ทำงานก็จะไม่ผิดพลาดเพราะจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาสมาธิคือความแน่วแน่แห่งจิตใจ ปัญญาคือการกั้นกรองแยกแยะสิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นนั่นก็จะได้รู้ว่าอันไหนควรเก็บอันไหนควรทิ้งส่วนใดที่จะเก็บไว้ส่วไหนควรจะทิ้งไปถึงไม่เป็นสิ่งจำเป็นแก่การดำรงชีวิตให้เราเก็บเอาธรรมะที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิตไว้ทุกเวลานาทีไม่ว่าทาอะไร จะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินถ้าเรามีสติไว้วัดเหตุจะไม่เกิดง่ายความบกพร่องก็จะน้อยลงเราจะไม่ต้องทูญเสียวิยวัและทรัพย์สินต่างๆด้วยความประมาทพลาดพลัง้งแล้วเมื่อเราอยู่กับติตกับกายจริงๆเราก็สามารถเป็นผู้ที่มีปัญญาขับเคลื่อนร่างกายด้วยสติด้วยปัญญา เราก็จะไม่ควบคุมกายของเราได้ด้วยความเหมาะสมจะทำยังไงก็มันจะมีความเหมาะสมพอเพียงตลอดเวลาไม่เกินไม่ขาดและธรรมะของพระเจ้าเราปฏิบัติจริงๆแล้วมันก็มีแส่งไม่มีสิ่งใดที่จะเกินไม่มีสิ่งใดที่จะขาดเพราะธรรมะของพระเจ้าเป็นมัชฌิ ม, มาปฏิปทาทำแล้วย่อมให้เกิดความสบาย เราเข้าถูกทางก็จะมีความสบายความสบายนี้มันจะยืดยาวอายุความสุขเรานั่งเรานึกว่านั่งแค่นาทีสองนาทีเออเรานึกว่าเรานั่งมาต้องนานเจ็บปวดเหลือเกินแต่ถ้าจิตสงบปั๊บเนี่ยครึ่งวันยังแป๊บเดียวเหมือนเรานั่งไปไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนาทีเดียว เพรมันผ่องใสจิตสบายแล้วไม่มีอะไรจะทําให้เราต้องลาบากอื <c oughs> ความคิดปัญหาต่างๆมันก็จะไม่ทําให้เราต้องข้างค้างหรือตีบตันเพราะฉะนั้นการฝึกจิตเป็นส่วนหนึ่งทําให้ไม่มีส่วนเสียเลยถ้าเฝึกถูกทางจริงๆไม่เสียเพื่อทำให้เกิดสติสมาธิปัญญา ไม่ใชะเกิดเพื่อให้มันเกิดกิเลสตัณหามานะทิติอุปาทานขณะที่เราฝึกเราก็ต้องไปโกรธดกับตัวเองแม้เราจะทําไม่ได้ใจไม่สงบมันจะวิ่งไปไหวมานั่งเท่าไหร่ก็ไม่สงบขออย่างเดียวอย่าเอาอดีตมาทําในวันนี้เท่านั้นอนดีตเราเคยทําได้ดีแต่วันนี้เรามาปั๊บจะทําให้เหมือนวันที่เราเป็นมาแล้วเหล่านั้นไม่ได้ เราต้องปฏิบับติเป็นปัจจุบันธรรมอืเราจะไม่ไม่เอาออดีตอนาคตเหลนั้นเอามาเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมให้จิตอยู่ปัจจุบันธรรมจริงๆอืถ้าอยู่ปัจจุบันจริงๆเราจะรู้อดีตเป็นมาอย่างไรแต่ทําไปทําไปเดี๋ยวถ้าจิตเป็นสมาธิมีพลังเพียงพอก็อาจจะรู้ได้อดีตเป็นมาอย่างไร จะรู้อดีตก็เพราะมีปัจจุบันปัจจุบันนี้มาจากอดีตอืถ้ายุคอยู่ปัจจุบันจึงจะรู้อดีตชีวิตเราเองมาอย่างไรระยะหน้าก็จะไปไหนเราก็รู้ด้วยอืเราทําดีในปัจจุบันนี้นั่งก็ตั้งอกตั้งใจฟังตั้งใจที่จะปฏิบัติให้จิตสงบลงอันนั้นก็เรียกว่าเรามีความอมีความตั้งอกตั้งใจดีแล้วมีกันติวิญญามีสติ มีวิริยะมีความภาคเพียรมีความเมตตาตนเป็นหลักจิงใดทําให้เราเกิดความหงุดหงิดหุ่นหานหรือทําให้เราเกิดอ่กระแรงกระทบไม่พึงพอใจสิ่งนั้นคือสิ่งที่ให้คุณแก่เราไม่ใช่ให้โทษนะอพอให้คุณแก่มาเพิ่มความอดทนในแก่เราเอาจะถามตัวเราเองจะทนได้ไหมละ่ะเสียงขนาดนี้ทนได้ไหม ถ้าเจ้าทนได้เจ้าก็ได้คันติธรรมในหลักคําสอนพุทธเจ้าเจ้าทนได้เจ้าก็ได้วิริยะธรรมคือความขยันหมั่นเพียรถ้ามีความขยันหมั่นเพียรนไม่มีวิริยะธรรมแล้วเราจะก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวก้าวผ่านไปถึง อ, อ, อุ ป, ปบานมีธรรมนี่ยากธรรมะมีสามขั้นตอนคันติธรรมดาที่เราฝึกหัด ขันติวุบมีเพราะเราได้รับความอดทนจนกระทั่งเรื่องร้ายกลายเป็นดีถ้ามีความอดทนเราสติเราเปาะบางหรือว่าอาจิตใจเราเปาะบางเดี๋ยวเราก็ต้องรับเอาถึงชั่วร้ายเอามาทําใจของเราให้อดํามืดเข้าไปเพราะมันปิดกั้นหมดถ้าแก่ก็เอาไว้เอาไวมา้มาข่มขู่ผู้อ่อนอย่างนี เห็นอะไรดูว่ามันมันไม่เข้าท่าไปหมดเพราะเราไม่มีปัญญาถ้าคนเรานั่นมีปัญญาเห็นอะไรที่มันอืไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแต่รับกับสงสารคนที่ทําว่าโอ้พราเขายังไม่รู้อืถ้าเขารู้ก็จะไม่ทําไม่ทําให้คนอื่นต้องมาต้องมา มุดหีดกับสุ่มเสียงที่เขาทำดังออกมาในขณะที่ต้องการความสงบเราเนี่ยอันนี้ต่างหากที่เรารู้ธรรมะ mm hmm. ไม่ใช่รู้ธรรมะแล้วคนไหนไม่ดีก็จํหริติเดเตียนคนไหนคนไหนดีก็ประจบประแจงไม่ใช่ธรรมะเป็นสัจธรรมดีก็โมทนาสาทุกมีมุทิตา ถ้าไม่ดีจริงๆเราช่วยไม่ได้ไม่สามารถช่วยเขาได้ก็ต้องปล่อยวางวางนี่ไม่ใช่วางอย่างโกใจจิดใจดำวางเพราะเรารู้ว่าวัลลีเราไม่พอที่จะช่วยเหลือคนคนนี้ทรัพย์ก็ไม่พอปัญญาก็ไม่พอพูดไปเขาก็จะไม่เชื่อถือเราเราก็ต้องปล่อยวางอันนี้เรียกว่าเรียกว่าเมตตาภูมิหาร เมตตานะญเมตตาปัจาาน า, าสัดพ้นทุกมุทิตายินดีผืนได้ดีมอิจฉาลิทยาเมขาวางเฉยไม่ศัตรตูถึงความวิบัติก็ไม่แช่งซ้ำเมตตาคุณาก็าาาแม้หวังช่วยเหลือเกือ้อกูลถ้าเราช่วยก็ได้มุทิตามือก็ทําดีแล้วก็อมโมทนาสาธุเห็นก็ทําดีแต่ยังทําดีไม่ได้อย่างขาววันหนึ่งเราก็จะต้องได้อืเพราะเราไม่อิจฉา ตัวอิฉามัน่าบางปัญญาของเราแล้วเราจะตะเกียกตะกายไป จ, จนวาระนั้นอันนั้นจนได้ถักวันหนึ่งการปฏิบัติธรรแล้วมันจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในช่องมุมต่างๆของธรรมะที่เราจะต้องให้มันพร้อมให้มันสมบูรณ์เช่นเมตตาก็ให้มันให้มันได้ทั้งสี่อย่างอเมตตาภูมิหันท์ให้ได้สี่อย่าง เมตตาภาณารผลทุกให้จัดผลทุกกรณาช่วยเหลือเกื้อกูลเมื่อเรามีโอกาสจะช่วยได้แม้จัดตัวเป็นอันตรายพอช่วยได้แล้วก็ต้องช่วยที่เั็นอสสรพิจจะเป็นตะเข็บตะขาบมังองก็าตามล่องลอยอยู่กระแสน้ํอาอำจะจมน้ําตายเนี่ยอย่างน้อยเราต้องมีปัญญาไปงูแล้วก็ต้องใช้อื่นเคี่ยวเคียเอาเท่ามันจะตายเพราะการจมน้ําตาย จะตายเพราะตกอยู่ในอันตรายนะ่ะจะเป็นอสสโฟิตเราก็ต้องช่วยถ้าเราไม่มเมตตาจริงๆจะเป็นแมลงตะขามังกรเราก็ต้องช่วยแม้มันต่อยเจ็บต่อยปวดแต่เราก็ต้องมีปัญญาช่วยคนเรามีธรรมะแล้วย่อมมีปัญญาละเอียดอ่อนเแียกว่ากรุณาช่วยเลยก็คุณมุทิตานี่ยสำคัญยินดีพื้นได้ดีมิจฉาลิทยาตัวนี้สําคัญอืม ยินเดียผู้อื่นได้ดีตัวเราไม่ได้ดีในวันนี้วันหนึ่งก็จะต้องได้เพราะจิตดวงนี้เป็นจิตที่ดีงามถ้าเราอิชายิสยาเขาจิตดีจิตที่ไม่ดีงามมันจะทำให้ความเราจะพบกับความอับ พ, พับอับเศร้าในวันหนึ่งข้างหน้ามียศจะหมดยศมีลาบจะขาดลาบมีอ่าเป็นคนรวยจะกลายเป็นคนจนได้ถ้าเราไม่มีมุทิตาเหล่านี้เนี่ย hmm. เบะขา วางเฉยแม่ถัดตูวถึงความวิบัติก็ไม่แช่งซ้ํำก็ขเขาวิบัติไปเพราะกรรมไม่ดีของเขาเราก็เห็นอยู่เขาทําไม่ดมีก็ต้องรับความทุกข์ต้องรับอ่าต้องต้องไในรับโทษ ต, ต่างๆจากการกระทําของเขาเองที่เขาไม่เลิกไม่ละเราไม่ต้องมาแช่งซ้ําเขากวรรับผลกรรมอยู่แล้วเรื่องอะไรผู้มีเมตตาทําจะไปทําให้ใจของเรานั้นต้องด่างพร้อยพรา เพราะควา ม, มเห็นเขาเสียสละเพราะเขาเคยทําล้จิตทางใจก็ไปแช้งเขาอย่างไง้ไม่ต้องไปแช้งเขาแลับผลเขาเองทำใดที่พูะเจ้ากล่าวไว้แล้วให้เราประพปฏิบัติแต่ถ้าไม่ฝึกปฏิบัติไม่ฝึกไม่ปฏิบัติไม่ฝึกหัดเอาทิฏฐิมาน้าของเราเป็นเครื่องดำรงชีวิตเป็นศานะเป็นศาสนาของเราเองแล้วเมื่อกมนั้นมาเกิดขึ้นแก่เรา ถ้าเราเป็นธรรมารทิฐิมันก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเป็นมิจฉาทิติแล้วไม่เชื่อพรุทธเจ้าแล้วกรรมมาเกิดแก่เราอันนั้นจะไปโทษพระเจ้าก็ไม่ได้เพราะพระเจ้าไม่ได้แฉงแต่ท่านพูดว่าจะเพียงว่าอถ้าเมื่อทําอย่างนี้แล้วผลจะออกมาอย่างนี้ทําดีผลจะออกมาดีดีตั้งแต่เล็กๆน้อยๆเรื่อย เ, เป็นจนดีที่ถดแล้วไม่ทําชั่วเลยอย่างนี้ เมื่อเราไม่ทาชั่วเลยความช่วยไหนจะมาแปดเพื่อนเราได้หะอเนี่ยมันก็ไม่ไม่ได้สิมันจําเป็นที่เราจะต้องรู้จักในการฝึกหัดปฏิบัติตัวเองให้มันมีธรรมะเพียงพอตกผ่านลงชีวิตแล้วมันจะไม่อับเฉากิเลสความโกรธความรู้ความหลงนี่แหละมันตัวปิดขั้นปัญญาของเราไม่รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมันยังครอบงําจิตใจเราอยู่ เมื่อกี้ได้ครอบครอความจิตใจจิตก็ไปไปทำให้ร่างกายเราต้องแปรผันไปตามอำนาจของจิตที่รับอะไรไว้ในนั้นในจิตใจนั้นถ้าจิตล้วก็ปกจิตของเรายังหุดหงิดหุนงานยังไม่เพียงพอต่อการจะใช้วาจาอย่าพึ่งพูดพูดไปแล้วจะทำให้เรเสียหายด้วย เพราะว่าคำพูดเราจะปนเปื้อนจากจิตที่ยังยังสุกโปกเหล่านั้นมันจะปนความสุกปกของจิตออกมาที่วาจาพูดไปก็จะไม่เป็นที่ชื่นชมของมนุษย์เทวดาทั้งหลายนะจิตเรายังยังยังเปือเป้อนอยู่อย่าเพิ่งทำอะไรถ้าทำลงไปคนที่ทำให้จิตละหนุนหิน มันจะทำให้เราทำอะไรที่มันผิดพลาดอาจจะระงับโทษะไม่ได้อายนู่นไปฟ้างไปปาคนนั้นคนนี้ให้เราเสียภาพพศความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงยิ่งขึ้นไปไม่ใช่เป็นผู้ใหญ่แล้วจะมีแต่อำนาจอำนาจมันมีได้ต้องอำนาจความดีมีคนเคารพนับถือมีคนกราบไหว้ อำนาจนั่นจึงจะชื่อว่าเป็นอำนาจของคนมีศักดิ์ศรีมีอำนาจศักดิ์ศรีก็ต้องมีฟังฟ่งความดีเป็นเครื่องเ ป, เป็นเครื่องปรากฏจึงจะมีศักดิ์ศรีและมีอำนาจเนี่ยถ้าอำนาจความชั่วมีเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเขาเขานิยมสรรเสริญมันเป็นสิ่งทําลายสังคมทําลายอตัวเองกับ ฝ่ายตรงข้ามมันจำเป็นที่เราจะต้องดูใจของเราเสมอไม่ใช่จะแก่เพราะกินข้าวเท่าเพราะอยู่นานวันอเอาอารมณ์ที่ไม่ดีไปใส่ก็เด็กๆนี่ไม่ได้ผิดปกติยิ่เป็นนักบวชด้วยแล้วยาใช้ทีเดียวพอใช้แล้วท้าเท่ากับว่าเราอยู่พระเจ้าโดยความเป็นศัตรูโดยเป็นศัตรูยังไงเป็นศัตรูคือทำลายศาสนา เพราะเราเป็นคนของศาสนายิ่งอยู่ในวัดในวายสําสคัญที่สุดเลยจะต้องช่วยกันประกาศศาสนาโดยการไม่ต้องเทศไม่ต้องสอนเทศให้เขาดูให้ผู้ดีเข้ามาเขาดูเราไม่มีหน้าที่เทศเทศให้ยเขาดูลูกริยามารญาญาตดู ก, กายวาจาใจ เนี่ยอยู่ร่วมกันมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแล้วอยู่ร่วมกนันจําเป็ น, ปนต้องมีธรรมะเอามาใช้ทำามีางนั้นเราไม่ใช้ธรรมะจะใช้อะไรใช้กิเลสแล้ววัดเนี่ยไปใช้กิเลสให้คนอื่นรู้คนอื่นเห็นเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่น่าขยะขยแขงจริงๆนะเป็นนักบวชไปแล้วเนี่ยอืมนี่ต้องเข้าใจนะเ<ๆ>พราะเราได้เห็นอะไรอะไรบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยทั้งภายในทั้งภายนอกเนี่ย เราได้เห็นปรากฏการณ์อย่างได้อย่างะอย่างเนี่ยเพราะนั้นมนุษย์เราจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ไม่ว่าครวญยาดอยไม่ว่าคนอยู่ในวัดคุณอยู่ในวัดเนี่ยสาคัญที่สุดจะทําให้ศาสนาเสื่อมก็เพาคนในวัดศาสนาเสื่อมก็เพราะพระเสือสิงต่างๆเนี่ยมันจะตายมันเช่อตายเพราะโลกภายนอก มันตายเพราะโรคภายในของมันเองในตัวของมันเองแม้ตายแล้วยังมีการกล้าเข้าใกล้เพราะตามันก็ยังลืมอยู่นะนี่น่ะการดำรงชีวิตจึงจะทำให้เป็นที่ชื่นชมของมนุษย์เทวดาทา่ามนุษย์ก็ได้แก่ลูกหลานน้องพี่เป็นมนุษย์ทั้งนั้นแหละ ที่ได้เห็นว่าได้ยินมัธุรดวาจาของเราพูดออกไปมีวาจาที่อ่อนหวานมีกริยาที่สุภาพอ่อนโยนเนี่ยมันเป็นที่รักเป็นที่เคารพเป็นที่นับถือไม่ใช่พอได้ดีมีสุขสักนิดหนึ่งก็เอาแล้วชักลืมตัวหลงตนหลงอำนาจวาสนาเนี่ยมันก็ทำให้เราเสียพูดที่คนได้ ผู้เจ้าเจ้าสอนมาตั้งสองพันกว่าปีสอนอยู่อย่างเนี้ยวนๆเวียนๆแต่ก็ไม่มีไม่มีวันที่จะเมื่อนายถึงระผู้ฝ่ายทำจึงใจใจรู้ว่าอะไรเราผิดพลาดบ้างบกพร่องบ้างยี่จะได้มาทําการแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงที่เรายังมีลมหายใจอยู่นี้ทุกสิ่งเปลี่ยนได้ปรับปรุงได้อเมื่อที่เราทำํำใบเวียนทำกรรมมามากมาย ทางกายทางวาจาแต่ว่ากรรมเินเหล่านั้นยังตามเราไม่ทันเนี่ยขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ยังตามไม่ทันแล้วพระพุทเจ้จาท่านก็ บ, บอกว่าให้รีบเลิกซะนืกแล้วมันจะตามไม่ทันหรอกทําอะไรไม่มากมายขนาดไหนก็ตามไม่ทันเคยฆ่าถัดตีวิตมาเป็นร้อยเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านตัวเป็นชาวพมงเนี่ยแต่ว่าทําไมกรรมยังตามชาวประมงไม่ทัน ก็เพราะว่ากรรมดี เ, าาเดข า, เ า, ายังมีเหลือแม้ทำขนาดนั้นกรรมดีเขายังมีเหลือจึงกรรมตามไม่ทันเมื่อกรรมตามไม่ทันแล้วเราไม่ต้องไปกลัวถ้าเรากลัวเราก็ต้องเลิกทำเลยเพราะกรรม่ังตามไม่ทันเลิกท ำ, yea. กำนั่นสะกรรมที่ไหนจะตามมาทันละขณะนี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันยังตามไม่ทันตามมาทันได้อย่างไรเมื่อเราไม่ทากรรมชั่วอีกแล้วต่อไปนี้นะกรรมก็จะตามเราไม่ทันดัานั้นเอง เราจะไปกลัวทําไมเคยทําความชัวว่วมาทั้งมื้อแถนี้แถวนั้นคงจะละไม่ได้เลิกไม่ลงเนี่ยก็เราตัดสินใจตั้งสรัทธาทิฐานลงไปตอนนี้ไปเราจะไม่ทำอย่แล้วเรารู้แล้วว่าบุญคือบุ ญ, บ, ญ, บ, ญบาปคือบาปเราก็ทําบาปมาเยอะแยะแล้วแต่ทําไมบาปบางตามเราไม่ทันเราก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าขณะนี้บุญยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นก็ทําความดีต่อไปบาปก็ตามเราไม่ทันซีแต่นี้ พอจะตามเรามาทันแล้วก็เป็นเศรษถีเป็นเคร้าไม่เศตษถีแล้วนี่เท่าไหร่ถึงเวลานั้นก็ให้เขาได้หมดเป็นเคร้าไม่ตษฐีแล้วจะไปทําไมล่ะเมื่อถึงนิพพานแล้วทุกสิ่งก็ก็ต้องใช้ขึ้นหมดถ้ายังเหลือข้างๆอยู่กับ น, นิพพานไม่ได้จิตก็ยังไม่บอยสุดธิ์หมดจดนั่นเองอื mm. ันนี้เป็นนี่เป็นสินกันนึกทำเวรทากรรมการเดียนึกของมันหมดนะไม่หมด แต่ที่มันตามรายังไม่ทันเขาบอกเรามีเรายังมีเยอะอยู่เมื่อถึงการสุดท้ายแล้วเราก็ต้องให้เขาหมดไม่ว่าหนี้เล็กนี้น้อยถึงหนี้ใหญ่แล้วเป็นครามเศรษฐีแล้วเนี่ยถึงนั้นแล้วมันไม่ต้องใช้มันไม่ต้องเอาไปอีกแล้วมันอิ่มแล้วเต็มแล้วจบแล้วชีวิตเวียนว่ายตายเกิดทั้งเราถึงจุดหมายปลายทางแล้ว จบหลักสูตรแล้วอย่างเนี้ยของพุทธศาสนาเรียกว่าจบหลักสูตรเลยอมทุกก็รู้จนเต็มโพอกทุกก็รู้จนเต็มโพอกดีก็รู้ชั่วก็รู้กระทุกหูปั๊บกระทืบตาปุ๊บเนี่ยรู้ทันทีเลยว่าสิ่งที่กระทบมานั้นน่ะมันอืมมันเสื่ออะไรมาให้เรารู้ในใจเราเสียงสืออะไรมาให้เรารู้อือย่างจามันี่ก็ออกเสียงไปก็เสือโยมได้รู้ว่าโยมจะได้เข้าใจ บางสิ่งบางอย่างของจิตใจเจ้าของเองว่ามันเป็นอย่างนี้แหละสื่อสัมพันธ์หรือ ก, การเกี่ยวข้องกับกิเลสการเกี่ยวข้องกับธรรมถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ตกเป็นทาตของมันทาตของสิ่งหลอกลวงทั้งหลายเนี่ยมนุษย์ทุกวันนี้ก็หลอกลวงกันเก่งบางทีหลอกลวงกันทีได้เป็นรอยล้านพันล้านใช้ด้วยซ้ำ คนไม่รู้ก็นึกว่ามันจะต้องเป็นอย่างที่เพราะเรายังมีความอยากความโลภอยู่ในใจเนี่ยก็เดี๋ยวตกเป็นทาสขาง่ายๆคนยังมีเชื่อความโลภอยู่ในใจต้องระวังที่สุดเพราะคนมันจ้องจ้องที่จ ะ, ะหลอกลวงก็ต้องหลอกลวงคนที่ชอบสรรเสริญเยินย อ, อชอบ แสดงออกซึ่งความโลภโมโทสันเนี่ยพวกมารทั้งหลายพวกกิเลสทั้งหลายก็จ้องหาโอกาสถึงเราไม่มีทรัพย์สินแต่เรามีสมบัติอืที่อาจะไปร่วมทุนกับเขาเนี่ยทรัพย์สินเราก็มีแต่ถ้าความโลภไม่ในหัวใจเราวันหนึ่งเราอาจจะสิ้นเนื้อประดาตัวก็ได้ถึงเป็นคนล้มละลายเลยในที่ทุกข์ถ้าความโลภยังมีอยู่เพียงได้ได้ยินได้ยินเขาพูดจากนั้นตรงนี้จิตก็ลุก พองขึ้นมาเอแล้วไม่มีเงินจะไปลงทุนแต่ยังมีที่ดินพวกนั้นมันก็พยายามคนหลอกลวงก็พยายามยุยงปลุกปั่นให้เราเคลื่อมในผลประโยชน์เหล่านั้นแล้วก็สามารถที่จะเอาที่ดิน่ะไปจำนองจองจำมาเป็นเงินไปร่วมทุนลงทุนอะไรก็แล้วแต่เถอะเอาไปทําแล้วในที่สุด คนหลอกลวงหากินทางหลอกลวงไม่ได้พัฒนาอาชีพหรือการค้าอะไรมันมีฟันเตือนก้าวหน้าหรอกมีแต่ว่าจะเอาให้ถึงที่สุดแล้วว่าทุกท้ายมันก็จะหลบหนีไปนะอถ้าหนีทันก็ทันหนีไม่ทันก็ถูกจับได้อถ้าจับได้แล้วก็ต้องได้รับออโทษถึงจับได้แล้วเราก็ไม่ได้รับทุนกลับคืนมาครบ ทำติดุระติดนักพักเอาหมดอีกแล้วทุนนักหลอกลวงหมดอีกแล้วทุนพอเห็นบ้านเรายังสวยงามเพอมีราคายอยู่องเพิ่มทุนอีกหน่อยถึงจะกอบกู้ของเก่าคืนมาได้ไอนักเสียไปแล้วเราก็ต้องตามที่ต่นนี้ขายบ้านหรือว่าจำนำบ้านไปอีกหลังนงเอาไปร่วมทุนกับคนหลอกลวงเราเน้นแะต่แล้วเป็นึงไง ทำไปธุรกิจล่มจมล้มละลายเงินก็มีจะใช้หนี้ค่าที่ดินก็ยังมันมีค่าบ้านนะีในที่สุดก็จะถูกขายทอดตลาดเป็นคนล่มล้ม ล, ลายไปในที่สุดนี่แหละความโลภมันพอยพิษมันเป็นอย่างนี้ความโกรธพิษมันก็มีมากทำลายสุขภาพตัวเอง ทำจิตใจของตนเองทั้งมืดมนโอนตการทําให้กิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นมาอีกคนเราโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่เราไม่ทําอะไรไม่สมตามความปัจจณาของเราจากบุคคลนี้เราก็จะอาจจะโกรธขึ้นพอโกรธขึ้นแล้วทิฏฐิก็เกิดแล้วแต่เนี้ยตัวทิฏฐิความเห็นทิฏฐิคือความเห็นเป็นกลางกลางถ้าเห็นถูกก็เป็นธรรมาทิฏฐิก็ไม่ผิดัยกับเจ้าของ แต่เห็นผี่ก็ไปมิจฉาทิฐิไปร่วมกระ บ, บวนการกับคนชั่วท่านนี่เพราะเราเห็นผิดจะเห็นถูกแล้วไม่ร่วมกระ บ, บวนการใคไรเราก็อยู่สบายสบายเพราะเป็นธรรมทิฐิเนี่ยเอากันง่ายๆองเงี้ยการลงชีวิตเนี่ย mm hmm. เพราะไอ้กิเลสสามอย่างเนี่ยมันปีพิษมีภัยมากพระเจ้าตัดทารุแล้วจึงรู้ว่าสิ่งสามอย่างนี้เป็นปัญหาพิสัย ก, การลงชีวิตของมนุษย์เรา ที่จะก้าวไปถูรร่ความเส้นเด็จในอนาคตวันนี้ก็พูดธรรมะเล็ก น, น, น้อยพอพอเป็นเครื่องระลึกเพิ่มเติมเสริมปัญญาของเราด้วยอาศัยการปฏิบัติทางจิตใจหรือสมาธิ ปัญญานี่หละงข้อห้ามการปฏิบัติไม่ถึงขาดนั่นเป็นเป็นการปฏิบัติตกจธรรมทรมตัวนี้แหละจะนำเราสู่แสงสว่างเมื่อเราปฏิบัติถูกต้องเราก็เป็นผู้หนึ่งที่มีกายวาจาเป็นที่ชื่นชมของมนุษย์เทวดาทั้งหลาย วันนี้ก็พูดธธรรมะเล็ก น, น้อยเพราะว่าเวลาก็ น, น้อยอืยังไม่เพราะนั้นเราฟังฟังแล้วก็พยายามใขว่คว้นกันของแยกแยกเอาเองบ้างเพราะธรรมะนั้นที่จริงแล้วพระพุทธเจ้าก็เพียงจะบอกบอกบอกแล้วเธอจะทําหรือไม่ทําเป็นเรื่องของเธอเธอทําแล้วผลก็จะได้รับไม่รับผลแล้วผลเป็นออกมาเป็นอย่างไรนั่นแหละเธอก็เคารพผลแห่งการปฏิบัติของเธอ แม้พระธรมุอเจ้าพระองค์ทนตรัดรู้แล้วไม่รู้จะกราบใครก็หันไปกราบควารมรู้ที่ท่านได้เข้าใจมาในในรู้มาจากธรรมชาติเหล่านั้นท่านก็กราบไหว้ท่านอยู่ทุกวันเข้าก็กราบออกก็กราบเ พ, พราะความรู้เป็นควารมรู้ที่ยอดเยี่ยมนําท่านออกจากกิเลสเพลิงทุกข์ได้อย่างเด็ดขาดอย่างเนี้ยก็นํานำออามา เอามาเผยแผ่ให้พุทธศาสนิกชนที่พุองคส่งตั้งความพัฒนาไว้ตั้งแต่บำเพ็ญบารมีมาจนกระทั่งถึงตัดรูเนี่ยนั้นขอให้พวกเราทุกทายจ้งพยายามเดินตามเบื้องพูดคุณระบายของพระศาสดามันจะเดินไม่ผิดพลาดไม่ต้องเหยียบน้ําตามตองงูเงี้ยวเขี้ยวขอจะปลอดภัยตลอดเวลาที่เราเดินตามพระองค์ถ้าเดินตามมานั้วจะตกกล้วยตกเหวตกตดโรกหมดไหวในที่สุด ขอให้ทุกคนจรเดินในทางคำสอนพระเจ้าดนตัวถึงการเอวังก็มีดับการเช่นนี้